สองเจ้าขีรถเนี้วรถเหยียบยำทมนําล่คายละามูกใครอยู่ถูกเงาบ่มีประมานตราบจะเท่าเขาสู้พระนิพพานคนจากทุกในวัตตาสงสารอยู่ถูกเงาบ่มีประมานก็ขาดเทินมั่นก็บัตเท่านั้นการเทิงว่าพุทธธรรมพระสงค์จะบังอาจถึงแต่ว่าภาษาบ า, า, า, าลีภาษามังกรยังหรอกภาษาไทยเขานี่ภาษาไก่เขานี่าานะคักปัญญ อนันว่าเป็นระเบียบก็ใช well, ่หรอกททีตาติทุกทียเปิตาติยำปิบ่วว่าททตาติยำปีแล้วถึงยับทุกเมืองอาคนว่ามันถึงสามเทือกถนนเลถึงยับทุกเมืองนันเรื่องไดเร่งไดก็ได้โพคาจองขาดขงสันอนันว่าเพื่อเป็นระเบียบไว้ในสังคมเพื่อหามันแล่งง่ายก็่รอกครพราะฉะนันก็แล่วพรเียรคำเมื่านคำเมื่าถึงสมเทีกมันกับพระเของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสามเทือกออ พระวนาข้ากับ่าวอาทั้งสาเท้ากได้พุทโธทำโมก็ร่วมมีหันสังโคก็ร่วมงานันใอบ้านพระวนานี่พุทโธแปรารุณละบาปบาเพ็ญบุญทโม่ร้างไหม่ถึงละบาปบาเพ็ญบุญสังโค่ปฏิบัติละบาปบาเพ็ญบุญก็้เลยภาวนาถ้าพุทโธนันั่นกะถือขึ้นกันนันดดนันดัดพระวนาดานขยายออกคำว่าพิสดารคำว่าพิสดารคำว่าย่อ ก็บอกอย่างก็มีความหมายอันเดียวกันคือฆวาเคยเห็นนาเห็นตากันนี่แหละเคยเห็นนาเห็นตากันบ่ฉันเคยเห็นอยู่ฉันก็เคยเห็นนาทั้งนาทั้งตาทั้งแกมห่างหมู่พันหน้าไปหลายคือทังจมูกคู่น่ะเห็นกันเคยเห็นนากันยูฉันฉันนั่นคือการฆว่าพ้โทษทำโมกขแลนยุมาใส่กันมันเป็นเสือกสามเกี่ยวผู้โทษโมสังคุดเฮาชีวาสามเทื่อเขากขบมาสงสัย เขาทีว่ายมือเาบสงสัยเาที่อ่านโจนบพระตเาบสสยพรพพระธรรมพระสงฆ์สกเเาทอ่านแต่นอยพุทโธโมสังโทนันเาบสสยในึพระธรรมพระสงฆ์สกเสเรใด่รดกตางพระพระธรรมพระสงฆ์องกิ่งคองมยุมีม่าอันไปทางไหนมาทางไหนพ่อมาหนาพุทโธ โน้มีอันตรายใดทั้งสิ้นเออแค่พ่อใจมานนะพ่เบื้องต้นพระพุทธศาสนาสอนให้ธรรมะหาเลี่ยงชีวิตในทางที่ชอบเมื่อสอนทําให้ธรรมะหาเลี่ยงชีวิตในทางที่ชอบแล้วครับสอนให้เรียบเร่งปฏิบัติสิ่งธรรมไว้ในเจ้าของเพื่อให้เป็นที่เพิงของเจ้าของ ตรงนี้พากันมีศินห้าให้บริบูรณ์ให้ถึงพระโสดาวันซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระพุทธเจ้าเันวะออพวกที่เรียนเลขเรียนพา้าเรียนบัตรเรียนเบือนยังมาท่านพิดอบายอยูู่มได้หายยังเปิดไว้อยู่ยังเปิดไว้อยู่ ปิดอบาย พ, าบบบาาพระพุทธเจดผาปิดบัตรปิดเบื่อบ่ถือศาสตาอื่นถือจะประพพระธรรมประสงค์เป็นที่เพลิงอย่างเดียวเว้นให้หัวใจเก็บป่วยมากก็หายามากินมาสันมาท่ามาพ่อกหายก็หายบ่หายกาย็ ย, กยอมตายมันไปตัวผีตัวนั้นมาเห็ดผีตัวนี้มาทำ บ้านถือเนืเลิกดีงามดีวันไหนก็ดีมัดงามไหนก็ดีมัดกระน้าเห็นดีนาดนดนนงดามทั้งหลายบ่ได้มาดีมาสัวนําเข้างามห้องเยี่ยมห้องใจห้องท่านแต่ละท่านละคนขวัาง า, ามเข้าบ่ดีว่าท่านผู้เพื่อนเป็นเศรษฐีเพื่นก็ะเป็นอยู่ผู้เพื่นถึงพระโสดาบันชักกะท่าข้ามี่หน้าข้ามี่เพื่อนก็ถึงดูขวัญงามบ่ดีว่าท่าน บอกนั่นกับรถตําแหน่งว่าเป็นพุทธส้นข้นหนาสะกกอนขนมีเป็นเศรษฐีก็ว่าเป็นข้จนจนสักกอนหยอดมือมันดีจังค่อยเลื่อนขึ้นเป็นเศรษฐีขันมือใดมันดีเปลืกตกมอระหกก็ขืนมาสักก้อนมือใดบมดีช่างไปตกของเมีนบมอบอันนั้นไม่เป็นเรื่องของภ า, า, าพศ า, มม า, าสนาภาพในใจเราคันศาสนาเสยศาสตร์พระพุทธเจ้าสอนบ่ายถือมงคลเตือนข่าวให้เชื่อก ร, รมไม่เชื่อมงคล แม่แสวงหาเกขตบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ใ น, นพระพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่าพกาลและเว้นจากวิบัติท่าพกาลซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าเป็นสอนโมเห้าเผยไปสอนดีไปพระพุทธเจ้ามันจะไม่ให้บอกใต้ไตโลกธาติเขาเลี่ยมกลางเ พ, พื่นชื่อดอกโมเห้า wow. มีิจะเอาว่าปฏิบัติเอาเถื่อเพลงทุนลงแห้งสร้างบาแล้วไม่ให้มาก ที ue, ่อาสงไข่แสนมหากับเพื่อจะขนลือมูเฮ้าออกจากวาตาสงสารตามสถทติกําลังของตนเพิ่นเอาหม้ดุกหายมูเฮ้าเพระอยากได้ร้ายก็เอาหลายพรอยากได้น้อยก็เอาน่อยมดว่าเป็นว่าคือปันให้ปันหน้าเขาปันให้ปันหน้าให้กันเนี่ยกันเอาร้ายไปร้ายกับมุขผู้อื่นมาได้อันนั้นบ่รอเมื่อได้ว่าภัยมักเท่าไรเหี่ยวแห้งจะคล้องมี่ศรัทธาจะคลองมีปันหน้าจะคล้องมี น่าะไรนักมันมืนขาลรานั่ง<อ>ูผู้ใดก็ให้ภาวน่าพดโทษใหภาวน่าพดุโทษผูโดผู้ใดก็ให้ภาวน่า ลมหายใจเขาออกไหลพาวนาลมหายใจเขาออกผู in the the ้ใดเคยภาวนาความตายไหลพาวนาความตายความครับลมหายใจเขาออกพระพุทธเจ้าเพิ mm ่งมาและลึกความถึงความตายนี่และลึกความทุกลมหายใจเขาออกแห่งใดบุญหลายพระอานุนและลึกถึงความตายมือละลอยข้างพระพุทธเจ้าว่าเอยมันยั่งประมาทอยางอนุเนืยอมาั่นและลึกถึงทุกข์ลมหายใจเขาออกจห่งได้บุญหลาย ผู้พิจารณาของทุกกะพิจารณาเห็นพ่อมกับลมหายใจเขาออกผู้พิจารณาอันนี้จังเขาเห็นหายมันพิจารณาพ่อผมกับลมหายใจเขาออกผู้พิจารณาอนัตตาอันว่ามันัดวันนั้นบุคคลใครเห็นพ่อผมกับลมหายใจเขาออกผู้พิจารณาถัดดินน้ำไฟร่มเป็นทกว่าดินว่าน้ำว่าไฟว่าร่มอะไรเห็นพร่อผมทุกบลมหายใจเขาออกเพราะมันจังบาเป็นวาวเสื่อขาดมันจังบาเปลี่วไปตามร่ม ร่องตีมาบ่รตีมากอมันหักคอมันหัอมันสื่อว่าถือคือคอมันคือขอพอยพอยปวดมาแล้วหักกำลังทิดไทยไม่อขอรับก็ทรับมันสังขารเกิดขึ้นมาน แ, ลแล้วก็แปรปูนแล้วแตกสลายเลยยังมาท่านเล้แล้วคักกระเพรไปซึ่งหนาเนี่ ซ้อมแช่มอย่ทุกวันทุกวันถ้ากลนละกายกับซอมแช่มอย่ทุกวันส้อมแช่มเขาสอมแช่มน้ำซ้อมแช่มดินสอมแช่มไฟหโมผาเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุไฟกินเข่าเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุดินกินน้ำเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุน้ำหายใจเข่าออกเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุลม ขอโมกุนกระเทิมฉาดไฟเพิมอยู että, ่ซ pues ้ำนั่นดินนุนดินน้านุนน้าไฟนุ้นไฟล่มนุนล่มบุญเขไปบวกบุญบาปเขไปบอกบาปเ้าวแ่บุญบาปผู้เพิ่นจผู้เพิ่นเพิ่นจะเกลิดเพิ่นกเอาพร่นาานมาบวกพิ่นย่าานเพิ่นหายเพิ่นแล้วเพิ่นก็ะเล่ขาสู่พนาานไปซาน่งแต่มูเฮ้านั่ง สู่รอบคบกัดก็คว่ำหลงกับของมาไรความหลงขีข้ออยู่ตื่นขึ้นมาความหลงขีข้อปวนพ้นไปแล้วพชนะความหลงไปแล้วถ้านาวัดสีนาวัดผ้าวนาวัดคุณมาพูดพระธรรมพรสงฆ์ทศนาสีสีไปบรเท่าชนะคว่ำหลงทีไปต่อสู่กบคว่ำหลงสี่เอาหลงตอลองมาสู่ามันมาได้บวกหลงเอาอันมาหลงไปสู่ ควบขีค่ากันอย่าเอาขีฆ่านพราขีฆ่ามันบวกกันเขบอะไรเอาควมขยันไปต่อสู้มันควบตนีตนตนสนี่เอาขีตนีมาบวกขีตนีกัศณะอะไรก็เอาควมบริจาคทานมาสนะมันมาต่อสู้เขามันควบโหดร้ายไม่มีศีลไม่มีธรรมก็เ อ, อาศีลเอาธรรมมาน้าผ้าอเนกเข้าอาบประจำวัน ฝึงนั่นร่ากายของเฮาก็ยั ง, กงกสกปรกโสมวมอยู่เจ็ดใจก็ต้องเอาท่านาวัดศีนอวัดผ้านาวัดละมันจังสีสะอาดพระสันต์เขาไมยามสีสะอาดอ่ะมิตรกิเลสใช่มา้ง่อยพ่องอยหัวโยมิตรควมหลงถือแพร่ควมหลงมาไรศาสตร์ไรพวกแล้วสิพระย่ามทำไรต่อสูศกควมหลงดาบเท่าเขาสู้พะนธ์พาน ข้อมนิดเป็นอย่างข้อมนิดก็คือโรคโกหลงมันตั้งหนุอ่อบเมืองไก่ข้อมูเฮาหมูเฮาห่างเหินจากท่านวัดศรีวัดภาวนาวัดของพระองค์เก่ามันก็หุ่มเขามากีดข้อเฮาขอสับหัวผอมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากับหลังหันนาเดินนะจ๊ะมันว่าวิ่งไม่ใมันมันบอกไปทุกทิศทุกทางเอมันบอกใครโรคก็โลคมันบอกใครโกดก็โอดมันบอกใครหลงก็หลงมันใช่ได้มันบอกได้ใส่ฟังเน่ ของพอเฮดไดอ่ะพ่อเขาพ่เมตถมเป็นเครื่องยูหันมันก็สนุกยูโยหัวเฮยโยโยยูน่ะขอซับหัวเฮยโยเฮ้าเฮาเฮคือสั่งบอกให้เข้าแรงเขากแรงบอกใเข้านอนเข้าก็นอนไปในทางที่บอถือว่าต้องทางที่ฝืนทำทางที่ฝืนเว้นย์น่ะมันบอกแกงปัญั์แต่ภาวนาแน่ยันดังจักหน่อยก็นะนอนยักหน่อยขนาดเมื่อไหเพราะว่า กอรที่เอาไหนมากินมาทานเนอเอาไปยังไงถ้่คนเถอะมันเที่ยวว่าิพ่อกินพ่อใส่เพราะว่ามันมากกับซีบหูนี่มันหยาดนี้จากมันการที่รักษาศีนบอว่าเอ้ยราเห็นเพคนวินไปเราคุยคนรักษาก็ได้เพราะว่าเจ้าผู้ไม่บุญไม่ศีลนะเถอะเพราะว่าอมันหยาดนี้จากมันมันกัมาซิบไปการที่ผ้าว่าน่าถ้าจะเจ้าเป็นผู้เจ้าบาปเจ้าบุญแล้วก็ดอกเดียแล้วถ้าเพิกนั่นเพราะว่าเออมันหยาดนี้จากมันมันหยาดหัวจักมันมัน พัดเท่าไรเพราแห้งละ่ะพอห้าเป็นเมืองขืนมันพ่อะแห้งละ่ะมันล่างขมองพราแห้งละ่ะอันนี้ห้าสที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาต้อโศวมันอยู่ในดวงใจวัดสั่นกับคนมันไปว่าไรละ่ะถือเป็นทีขาวัดอย่างเงี่ยตันท้าท่าโศเกลีท่าโสเป็ น, เ ป, นเป็นถาดของกเกลีอยู่นี่เที่ยวมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายก็ในวัดต้อสงสารอันนี้ว่าเราเป็นนักเทีย่ยวเกิดมาขาว้าที่เอาให้มันสมประสงค์สมประสงค์จักษ้น ผลทุดท่ายกับกำมือแบ่เมือ่อแปลงแซงไปตาแล้วยังไปลมมาบาได้การความเกิดแก่เก็บตายว่ามันหัวขอม่าเนี่ยมันเป็นเงินเก่าของโม่เฮ้าจะค่อยมากจะพบกรชาาตกรเพราแห้งแล้ถือแผลมาพราะแห้งแล้ ว, ลวที่นี่ผู้ใดมีความสงสัยอันไรเก่าเอามาเต้เอาไปร้ายกับแมงพุก็ทํปททำประสงค์ไม่ท่านทิน้นพราหน้าของเกา่าละ ให้ละบาปบำเพ็ญบ si so eh ุญน hey e. ั่นแหละอ่าโย้อนวัดขึ้นหันมือเศร้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญนั่นแหละบอกาสัราล้ให้ละสซ่ทำดีนั่นแหละจงทากิจให้บันเทิดในการละบาปบำเพ็ญบุญเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายปฏิเสธข้าวปฏิเสธย่อข้าวปฏิเนธพิจารณาพิจารณาไป เก็บมารวบเทศเพราะนั่นเป็นทั้งสัตว์เทศเพรานี้ด เ, ดนเป็นทั้งเทศเก็มาเล้ครบแปดมื่ที่พระธรรมขันธ์เสดอกอ้ที่แท้มันค่ะมันข้อหมายอันเดียวกันไม้ละสุภาษัมเดียจนทั้งที่สุดทุกโดยสอบคือพระนิพพานคำสอนสอนเ น, นี่ยเขาโู่พระนิพพานถ้าน낙เสียสาถินพ่วหน้าขวังเพื่อมาผลนิลพพานภูบารมีแก่ก้ามาเนี่ยภูบารมีเนี่มาท่านแก่ก้าสอนไอ้ยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติ ไปเป็นล่ำดับไปผู้บัญมีแ ก, กาเลยก็สอนพระนิพพานสมบัติพุทธโลดเพราะมย์สมบัติสวรรค์สมบัติทุ่มสมบัติมันกป็นของประวัเทียงเนี่ยมันวนเวียนในวัฏฏะสองสารก็เลยจิตใจก็เลยตั้งเขี้ยวไอ้พระนิพพานดับเพื่นในวัฏฏะสองสารคือดับกิเลสตัณหาของโมหะเพราะวัตฏะสองสารเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยผู้ถามมาได้แกถามมาแล้วก็ยินดีในพระนิพพานเสี้ยงเดียวของสันเอาโลด ผมยังมาาแก่กาศว่แล้วอยินดีนตรตรายบรรดาสงสารอยู่นสมบัติพัฒสถานเนี่ยแะวัตถุนี้ยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่แต่อู่ของอนิจจังมันเกิดขึ้นแล้วก็แก่ปวนและแจกสลายหาระหว่างไม่ได้ผมเปิดบอกคุณสันผู้บารมีแก่กลามานี่ก็าแล้ ว, หลวเห็นอนิจจังคณะทีหนึก็เห็นโลกรอบนึงแล้วเห็นทุกคณะทีหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นความ เห็นดินน้ําไฟ่ร่มคณะคิดึเห็นโลกรอบหนึ่งพราะโลกมันเต็มไปด้วยดินน้าไฟ่ร่มมันบมยืนยันว่ามันถือเปนน้องไผ่เออหลวงสันตาหงเจ้ามงล่งกายมันก็ับมาได้ยืนยันว่าม่นน้องไผแต่คิดใจหามายึดถือเอาแตซื้อว่ามันของเล่าของเขาของท่านของสัตว์ของโมก้นมาสมประสงค์มันไม่มันสมประสงค์ก็เลยเสียใจให้เจ้าของเนอันไหนมันสมประสงค์จากแนวแน่เพราะมีแนวสมประสงค์จากแนวเนียนอกกา ชี้รูเท่าท่านความหลงเจ้าของเท่านั้นแต่รับขอละขอไปจึงที่สมประสงค์รูเท่าท่านความลงเจ้าของตอนไรมันบกขวบขึ้นอืทำให้บรรลุท่านควอมลงเจ้าของตอนไรมันก็ขวบขึ้นกายนะสังขารจะพาบรรแป้งกาย หายใจไว้นี่คือเปลี่ยนเอริเอเรี ย, ยาวดของไก่ได้นะจ้างมันไว้จ้างมันให้มันยวนําพยานคิดตราดหายใจเข่าออกไว้ปานนั้นมันกระพยวน้ามันก็ตายจากพญานคิดตราดไปแก่จากพยานคิดตนาดไปหิวเขา่าเอาเข่าให้กินหิ้วน้ำเอนาน้ําให้กินจ้างด้วยพรานนั้นเขาร่พยวน้าพยานคิตตราดสนึ่หนีไปแลมีแต่พยานคิดตลาดเพื่อเดียวเป็นบ้าอยู่ในวัตฏสงศารเนะี่ยอกของสนเอาลด ตากูหูวโก้มูกโก้ลิ้นโก้กายโก้จะไม่แทะเขาบ่าวาเขาบอกหงมือยังเออเขาขับ่ถรับเขากับรถัดไรที่เป็นของพข ย, ยันคิดตลาดถึงย่ำแก่กับแก่ไปตามธรรมา飒ถึงย่ำเก็บกับเก็บไปท่ามาต飒ถึงย่ำแตกสลายก็บแตกสลายไปตามธรรมาต飒บ่าวาที่ฟังคว่วมข้าฮัตพาวนาไว้ พุทโธษผู้โ ท, โทไอ้ใกล้จะตายมากจังมาหพาพาวาณนาบะไรสั่นเข้ามาเอาน้ามาให้ากินแด่มาเคี้ยขี้งให้แด่มาพัดเปลี่ยนผ่าให้แด้เว้ยหิวเข่าหลายเอามาลองมังจักส่อนมังรูเหลือก้เอาน้ามาจอกปากให้จักน้อยนี่ ขี่เต็มก้นยุ่งนะมา อ, าออกไงแน่อันนี้เพําคัญเนียมันยังปากได้อยู่ยังตียงได้ยุ่ตอนตียงไม่ได้พุนวาเนี่ยมันเข่าตาจนครับนั่งมันสําคัญีนทุดมีตะล่มหายใจเขาออกซืือห่างหงจักยุ่งเตียงไม่ได้นั่นต้องภาวนาตายตายฆ่าภาวนา่ากลับไปเกิด พบมรรคคนละการมื่อท่านพ้นจังวาได้ห่ยฮัไทไหวฮัทไหวถ้าใส่ย่ามนั่นล่ะเดียวเนี่ยเขาพักเขาเลยเขายังสิไปซื้อของในตลาดนั่นฮั่นท่านต้องซื้อมาไหวคอนจังสะไปค้างมาคลิเขาพักเขาเละยังสะไปตําพ่นตาแก่จังจะไปแก่งมันกับวันท่านท่านไหนซื้อกันวัดใกล้ที่ตายจังจะมาฮัดพรวันหน้าเอ้ยมันก็ไปบ่ได้ล่ะ ต้องฮัตวได้เดียวนี่ฮัตแว่าทัศัยห้ามสีตายบอกข้ามูขามเอาหลายแล้วเายุตโตผู้ดเดียวไ่วได้เาหลายเลยน้อยเดี่ยวนึงก็แล้วท่านละข้ามาหน้าอันเดี่ยวท่านต่อไปนี่หายพ่อหนังเอาแล้วเนาะเมื่อไงละเนาะ สาวาดิวาาปุราภิบุริยันติสาครังเอพบมีวัยโตทินังเปตาังอุปการปฏิอิทิ์ังปฏิตังตุมหังคีพบมีวัจมิตจตุสภีผู้เรียนตุวสังขปาจันโตภนราโซยะามนิโชติรโซยะธาสภีธิโยวัจันตัวสับปะทโกสุภโยสุปโรภวินัสตุมาเทประวัต ตวันตรารโย ο, สุขีธีขาโย oko, ปูภ ะ, ะอภิวาชนสีนิสานิจังมุตตาปจายโนยะตารุธรรมวะวัฏันติอายุวโนูสุขังพระลังที่จะพจน์จะคอยเบื่อนายความหลงมันเป็นพจน์จะขำไปซานะปัญหาความสุขในวั้สงสารมันบ่มี สุขของเครือฮัตสุขเกิดแจกว้อมีทรัพย์สุขเกิดแจ่ใจทรัพย์บริโภคสุขเกิดแจด al, กว้นนบอมเป็นนิเป็นมรรคเป็นนิเป็นศีลสุขเกิดแต่ทั้งงานที่ปาฏิกาโทษสุขของเครือฮัตสุขของพระสุขถึงพระสวัสดาบันถึงพระรักท้าข้าไม่เถึงพระอาณาฆาไม่เถึงพระรหันต์เกิดขึ้นว่าในนั้นตังตื้อติโยนาไม่แต่ไหลล่องเรืวลงห่องบรรจาย สัาขารทั้งหลายเท่ากันมือนีมือนี่เฮ็ดดีพระเนก็นสร้างมือนี่ไก้กสีเพ่ก็มาวานมือนี่ไก้สีตายก็มวังเข้ามาือเจ้านียเขามาใจคิดใจว่ยอมตายนี่จากเสื่อมอยากทำว่าของฉันชวนร่างกายเนี่มันล่วงไปล่วงไปมันไปะจะไปจั่งมันไหวได้นั่นพระาน้าผู้โทอะ พุทโทษพพามาเกิดมาแกมาแกมาตายพุทโทษพระผนจากเกศว่าตาสงสาระพุทธโทษมันของดำๆเลยโคกแปดหมืนชีพระธรรมขันธ์หมดท่อขยายมาเป็ี่นในเชือดหรอกทัโมกหอกันช่วงไห้ถึงท่าหมันมาตายสังโคกพริวัติเพื่อข่าสู้พระนยพานพุทโทษแปลว่าลูกพระนพานท่าโมกพิวัติเครือไปพระเนพานชวงไหม่ึงพระนิพานส้งโคกแปลว่าพริบัติเครือไปพระนพาน เขาหนอมกระสูงกระสูงนะเขาล้อมล่งต่า ม, มันกระตาเลยมันจะข้นนุกัมสตติปัญญาของเฮ้าเนี่ยไม่ได้ขืนนุกัมถมของพระองค์เก่าผู้มีปัญญาหลายไม่เกยเห็นหลายผู้มีปัญญาหลายซองเห็นตับหินพันวายหมูล <c oughs> ่มบราดนบนหม่อมบราดข้าหมูล่มบาราดหนาฟัง่งแท้แน่ ลุกลุกถอนเขาสัญญาต์เอาอวนเจ้าจะนอนนรับหลายลื่นคล่องเล้อหล่นเขาใช้ไมา้จากคนขัวเล่ทั้งแต่ลางพระญาแมจุฬาหมันเจาะลงไปใช้คีรินนะที่มานอ่นรับนอนฝันโยมเิไดร่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาเขาชูพระนิพพานน่ตัวสินใส่เท้าส่งทั้งสองอ่อนสเสด็จลวงเขาในกลุ่มควงม่านท่งท่ำท่งวินัยเสด็จเขาในม่านกิเลส โศกเกิเลตันหากระทำกัเวในของพระองค์เก่าสั่งสอนไว้มาลวงพายขืนสูย่ยหาค่อยดูยง ม, มาหน้าไหลฝาดฟ้องเพื่อนฟุกกาะระเกตเชินไทยคือพระหัต์และจิตพันสูงแล้วเพระน่ยเห็นในไตโลกทานฝาดฟ้องเพื่อนฟุกด้วยโลภโกรดหลงมาอุปมาคือสติปัญญาของเพลิน มันสูงเห็นน้มาหน้าอะไรฟาดฟ้องเพื่อนรงน่ากิเลสตันหาของสงาธทหารโรคโกรหลงมันฟาดฟ้องเพื่อนรงหรือว่ามีความเป็นของคืนพระอริยเจ้าพันจิตพันสูงล่ะธํามพันสูงอจิตสูงธรรมก็สูงเท่กันจิตตา่าธรรมก็ต่ำดิ่งของธํามเป็นคู่กับจิตส่วนพระในภาณวิทย์จะเป็นครูกับภันนนยเนเป็นเอเย่นเรื่งสั พระทีเห็นว่าเห็นกระตามพระสรกพ่ะรูกระตามเป็นจริงโยงสันเป็นถ้ำอันพรเกิดพระตายโยงสันส่วนสังขารถ้ำเนี่ยพระที่เห็นว่าเห็นกระตาเกิดดับอยู่ันมีกรเวรขึ้นถ้ามันไม่สองถ้ำที่เกิดดับถ้ำที่บรเกิดพ่ะดับถ้ำที่เกิดดับคือสังขารถ้ำคือของทุกถ้ำที่พรเกิดพ่ะดับคือภายในภาถ้ำเพื่อปฏิบัติถึงความพรเกิดพ่ะดับคือศีลสมาธิปัญญาคือขายขับใจเข้าเนี่ล่ะ พระพุทธธรรมผสมพระสร้างผู้ ja. ส, ส, อ 8, ส, ส, อสอนพระปฏิบ pues ัติตามเพลินพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบแล้วสอนผอื่นให้กรู้ตามด้วยพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในสี่ชั่วตามเหตุผลที่ปฏิบัติน่อยแล้วมากระสง์ปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผูอื่นให้กระทาตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน yes. okay. สามอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่ง เห็นจริงเนีทําจควรรูกคนเห็นทรงสั่งสอนไม่อาชจารย์คือผู้ปฏิบัติตามยอมในประโยชน์โดยทรงควรแก่ความปฏิบัติโอวาทของพุทธเจ้าสามอย่างเล้นจากพุทติยภูมิพุทธชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบสุจิตภูมพุทชอบด้วยกายวาจาใจกระทําใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลคโกรธหลงเป็นต้น เพินออกเป็นสามแต่ว่าออกเป็นสองกายเข้าใจว่าออกเป็นหนึ่งเข้าใจเพิ่นอกเป็นสามอัะเพิ่นออกเป็นสีอาริยสัจเทธาสีเด่นนาไฟล่อมออกเป็นห้าขันหะโลกเวทนาทันนาทั้งขาทั้งย่านออกเป็นหกกระตาหูจมูกเรียนกายใจออกเป็นเจ็กรบสัตวว่าเจ็ดเป็นเครื่องคลองเครื่องผูกซั์ไรออกเป็นแปดอัตฐกามมวัแปดทั้งที่กามฆ่าแปดประยชน์ล้มาะเสียนสมาธิปัญญา ก็เป็นเกมักซีผลซีในผ่านหนึ่งน่ะขั้เดียวแล้วก็เก่าละและะต่ก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งเอกชิดเอกรถ้ำพอใจรักไข่ในพระ พ, พระธรรมประสงค์ในปัจจุบันปฏิบัติพระพุพะทธธรรมประสงค์ในปัจจุบันรอบลูกพระพุทธธรรมประสงค์ในปัจจุบันมีขั้วอันไม้อันเดียวกัน สิคบกันบ่า <French> น <Claire> ักศึกเนี่คบกันบาคบกันบ้ันเเบิลเราบ้างเห็นไหมคำที่พระพุทเจ้าเห็นเท่าไรอ่านนพระพเจ้าว่าท่านเหเทนาเห็นะ ผู้ใดเข้าใจพระพุทธเจ้าว่าในเทวะพวกนั้นบาปตายสัตว์ทางสัพพยัญชนะเงเรวลปะริบุญนั่งบริสุทธิ์ทั้งเมันจย่าประกาศเสียเสียบริบุษบริสุทธ์บริบุญทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะเข้าบริบุญแล้วอาจารย์มหาวันอภโพชยาไ่มหาัเมฆวันตังชีรสาใมาเข้าจึงย่อมไหววันผู้ใดถือว่าพระพุทธเจ้าว่าในเทวะผู้นั้นง้ เพื่อได้คือว่าโตเถิดเก่งก็ก็คนทั้งหลายผูหนึ่งกับโง่สู่พระพุทธเจ้าได้ซึ่งปัฏิบัติปฏิฏปฏเวทปฏิบูลบัตพระพุทธเจา้าในไตโรกฐ า, านเป็นเมืองเขินคําส้อนของพระพุทธเจ้ามืดเขมทิศเขมิเกลันละก็สี่ไปในทางทิศเหนือโดยบรรูตัวคําส้อนใดๆเป็นเมืองเขินคําสอนของพระพุทธเจ้าบัดเถียบในทางสูง เทียบแม้กทาง่งลึกซึงน่ามวยน้องข้องเบิงบางต่างๆไห้งง ล, ลงสูหาสมุทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ไร้ลงสูคำสอนของพัฒมาธพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัวชั้นนั่นไม่พูดอีกก็จริงอีกเหดเอียงทําอียงบ่มองมองเมืงอคำสอนพระพุทธเจ้าไปพอหลอด พอเงื่อนแม่เงื่อนกระซางพอวัดแม่วัดก็ตามพอบานแม่เมืองพอประเทศชาติบาทเมืองก็ตามเฮ็ดเอียงเฮ็ดตามอัตโนมัติจาของบะเบงดิงค้าสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นดิงของโลกเปลี่ยนปลายลบดูดูมินท่ามทาเป็นผู้สลาดของพระพุทธเจ้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติพระพุทธเจ้าสอนหมดืดกระบดได้มียังจักแนวอบอกวัด คือว่าสาคัญ่าตัวแกงก็พุทธเจ้านะเราเมืงรู้ไฟบอลลอดนับชิปบรลลุกช่วงอเมียชิงแล้วพ่อแหง้งเอา้าพวกที่ถือว่าเม่มีบาปเราม่มีบุญไปได้พเพราะไอ้ฟอกไปเลยไ อ, อ, อ, อ้ไปบ่ได้แมนกนั่นนั่นนั่นนั่นเท่า น, นั่นกับพ่อแล้วช่วงของเมียชิงแล้วเ่าไม่มีสุนติตรศู่ยแมนบอสวยไปซะแล้วแมนบอนั่นเอาสบาย หมือหนึ่งพวกคู่ลงเรียนมาเอเจาสามสี่ร่อยนนุ่นงเครืองขาวมาเอ้ยสนาหนาเดีว่าท่นตัวเตกีเฟินโอหังมังคารโอว่าทน่นบานีไปบ้ารลอดโค้งมหาพระพุทธสาสนาเอาวะเตกีเี่ยคดีตะกอนนี่ค น, น, นุ่งกางเกงดังในนุ่งนุ่กางเกงหลังงุมขี้ใกล้ละ สิแยกพัดพระเหมือนว า, านี่ผมว่าก็จะโง่ขึ้นมาสันสา่นซาทุกอัจฉริยะเขาของอโง่โกอยุ่งเข้า <c oughs> ไปหลอดตะวานนี้วะไะตลอดดีๆนะล่ามองรู้ผู้ขานอนดีวยห้างแท่ผู้ขา้าอ้าปากว่าห้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเนียวรถนะผู้แรมาเห็นก็นว่าเป็นพิบ้านนอนด้วยเตียงผู้เดียวห้างขึ้นจะอ้าปากก็อ้า พระพุทพระธรรมประสงค์ขี่รถเงียวรถพอ่ออืดกินพอ่อหมเอาเพราะนั้นแล้วงูตัวระยะนี้เสียเปียบอยู่บนนนพระว่าน้ามาันโดมลลงเหอนี่ยเลียดทุกรถหมูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์่อกยังบอกช่ไหได้ไตโลกทาเลยอหอมูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแล้วว่อเอาไปว่ อ, อะไร ม, มีแต่หมูห้ามญาติกันเยอะขึ้นนำไล่ห้อง ทวมฉีมแล้วฉีว่าเข้ายังเข้าหมดเกี่ยวกิยังวันทำลรยของพนนันพูนนี่อันนี้คือขันน่ะเคยมเสียดายไตยโรกระถางเ้วยพนเขาโซ่อพอนี่พล า, ามูเา้เ้ามู่เขาเราไม่หยาดกันอ้วยนี่กเกียวก็ดำราร่พ้นพนคำว่าบอกก็เคำสอนของ เ, เล่าด้จะเป็นเศรษฐศาสตร์ดาวของท่านทั้งหลายพูดว่านั่นคลเห็นโรกระถางมดที่ไวไ่าอยงไพาะตโรกระถางเติมเรื่อยๆยี น, น่าไฟโลก เห็นข้อมอบที่ยงมดในไตโลกราต์ไม่้อสงสัยวมันจะเป็นอื่นผลนับเคยอย่งก็มิกระทุกข้าัเห็นทุกเห็นไตโรกรทาตึกสั่งเห็นไตโลกระาต์ทุกเสมอหน้ากวางไส่แล่วกันยิ่ดเนี่พญผานกิ่งนิ่งตัวทางออกก็มันจะเห็นมันเป็นอย่งมันจะเอาไหนมันเป็นพยานเอาค้อมอบรรที่ยังแลมันเป็นพยานนเห็นลมก็ลมหายใจเขาออกนะลมหายใจเขาออกกันบย่มัอบรที่ยัง เ้าบรรยต้น่มมันกระไก่ไม่เป็นกลางร่มเหราบรรยกลางมมันกระไก่เป็นท้ายรมเนะถ้าบรรยาสมันเป็นร่มออกตนร่มร่มออกต้นรมอย่างนี้ันมาเป็นกลางร่มมันกลายเป็นท้ายร่มนะพี่นี่มันไกลเยอะนี่บรรยัสต้นรมอย่างนี้กลางรมอย่างนี้ท้ายรมอย่างนี้อันนี้มันไกเอาที่แท่งเอาวัตรมมากระทบมกระทบมันไหนัปลายจมูก เตั้งหันร่มมาพานอันจะไปหันพานไส่วางครับพุทโธกตัหัน้คิงนหันนะทัโกับรวมลอยหันมัดแหวที่พธรรมคันกัร่วมลอยหันนะแล้วอยว่าอันพุทโธกัทเขามวอพี่ทัมโมกับเขามอยู่พี่รังโกเป็นเขาลงสรงยกนอนไปปไงเหรอไม่ได้อะโยกคเดียวเอาโลดเอาไว้คนเดียวอาห้างเดียวใส่อะไรพันซองเปนวางฉันทะพอใจละไข่ในกรรมฐานที่ทางไร วิทยาเพียรเหมืนประกอบในกรรมฐานที對對 so, ่ตั้งไว้จิดตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้คนณที่อย่างนี่มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งเหมือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติความลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่น การเท่าไปง่ายที่เราทับแตกเราไ่ได้เป็นเล้าเสื้อขากเป็นนุนปิวไปตามล่มไม่ต้องหามันเห็นอยู่หันละ่ะกันหาละแหงว่าเห็นซ่ำพาคุณได้สูพาคุณได้สูบบ่เท่มาเขียนหัวยุน <c oughs> เราละนอกไม่ใช้เราว เทระชั้นที่หนึ่งคือพระธรรมมาทั้พระพุทธเจ้าทั้งหลายมหาเทระชั้นที่สองคือพระปัจเจกทั้งหลายมหาเทระชั้นที่สามคือพระอรหันต์ทั้งหลายมหาเทระชั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งหลายมหาเทระชั้นที่ห้าคือพระสักขาคามีทั้งหลาย มหาเทระชั้นที่หกคือพระโสดาบันทั้งหลายมหาเทระชั้นที่เ็ดคือพระมหาเทระที่แก่ชราด้วยแก่พรรษาด้วยแต่เป็นโลกีเทระเบื้องว่าพระมหาเทระทั้งหลายแต่ต้นจนอวาสารที่กล่าวมาแล้วนี้พวกเราทั้งหลายได้ทาผิดองค์ท่านด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดี ด้วยเดชพระมหาเทระทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นจงทรงอโหทุกข์ให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลสุดท้ายพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพรพุทธศาสนาของพระสมานาพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกหนอยกชอบอยู่ทุกเมื่อเถิดในระหว่างพวกเราทั้งหลายทุกทั้งหน้าทั่วทั้งไตโลกาต่างฝ่ายต่างทําผิดกัน ด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีพวกเราทั้งหลายก็ทั้งใจโลกาจงให้อภัยแก่กันและกันอยู่ทุกเมือ่อและอย่าได้มีเวรในภัยแก่กันและกันและลึกได้เมื่อลึกได้ก็ดีตามเท่าข้อสูงพระเนปาลค น, นจากทุกในวตฏฏะสองสารทุกต้นหน้านั้นเถิดห้างตุงเฮฮีปีเมฆมีตะบาง ยัตถาปังกระตังกัมังกุสเลีนะปะหิยติโสมังโลกังบภาศีติะมุโตชนิวาอภิวาตวสิริตะนิจังวทาปิชายโนยัตารุธรรมาวัชานติอายุวนโนสุ ข, ขังพะหลังธรรมัดทั่วทั้งไต้โลกรทาตเลยได้ ใ, ให้มีเวเ น, นภัยเขารับทำอันไม่มีเวเ น, นภัย เสียงขอขมาโทษกันก็คือเสียงไม่มีการจองเวรจองภัยเวรจะ ได้งับได้ก็เพราะไม่จองเวีนจองภยัยเวีนจะไม่ไดงับก็เพราะจองเวีนจองภยัยเสียงไม่มีเวีนเสียงไม่มีภยัยเสียงพระพุทธศาสนาเป็นเสียงที่ไม่มีเวีนเป็นเสียงที่ไม่มีภยัยนับแต่ปานาที่ป า, าตาเป็นต้นเสียงปลดอาวุธไปตลอดจนถึงสุราปลดอาวุธดื่มสุราเอพระพุทธศาสนา เป็นคําสอนที่ปลดอาวุธปลดอาวุธในทางชั่วแล้เอาทางดีเข้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหัวหน้าอยู่ที่ดวงใจเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ดวงใจจะเอาไว้ถ้าเอาไว้ในที่อื่นก็หาไม่เห็นก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบเอาไว้ที่ดวงใจพุทโธแปลว่าระบาบบําเพ็ญบุญที่ดวงใจธโม พุทโธแปลว่ารู้ระบาดบำเพ็ญบุญที่ดวงใจธรรมแปลว่าทรงไหว้ซึ่งพยายามระบาดบำเพ็ญบุญที่ดวงใจสังโฆแปลว่าปฏิบัติเพื่อระบาดบำเพ็ญบุญที่ดวงใจตกลงพุทโธธรรมโอสังโฆก็เป็นเชือกสามเกลียวรวมลงอันเดียวกันในปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรมเราเนี้นี่เราดีๆนี่เองนั่น ไม่อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตพุทโธธรรมโอทั้งโกอยู่ในปัจจุบันจิตปัจจุบันนธรรมของเราทั้งนั้นเราระลึกได้ทำคําสั่งสอนจะสอนมากมายกายปองทักอย่างใดก็ตามก็ย่นลงมาหาใจทั้งนั้นถุกไม่มีใจก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ระลึกได้ไม่นึกได้ก็ตามอธิษฐานจิตอธิษฐานใจไว้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอถึงซึ่งพระพุทธพานประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าข้อสูตรพระา槃พ้นจากทุกในวัฏสงสารตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั้นเถิแดแะนึกได้ไมื่นึกได้ก็ดีก็ขอขมาโทษพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายวาจาใจผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าข้าศูนย์พระพ槃โค้นจากทุกในาวาตาสองสารตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั้นเถิดและเลึกได้ไมันลิกได้ก็ดีก็ขอทูลถวายสกุลกายวาจาใจเป็น ส, สาานัพพฆาสัพพธาพุทธธรรมสง์ขอให้พุทธธรรมสงขี่รถเยี่ยวรถเหยียบย่ำโถน้ำลาย คลายน้ำโมกใส่ยอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพราะพ้นจากสัพพทุกทั้งพวง อ, WOW. อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดและเลึกได้มะนึงได้ก็ดีขอทูลถวายสกุลกายวาจายกาเป็นสัพพฆาสัพพธาตุพุทธธรรมสง์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าข้าศูนย์วิทยพานพ้นจากทุกในวัตาะรงสารอยู่ทุกงามื่อนันเถินและเลึกได้ม่เลิได้ก็ดีขอทูลถวายสกุลกายวายกายก เป็นสัพพมนุษย์สมบัติสัพพสวรรค์สมบัติสัพพพระพรสมบัติสัพพิพปานสมบัติมมตตทูลถว า, ายบยูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ต้องว่าไม่มีประมาณตากเจ้าเข้าสู่เนปานเพื่อพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติตามสติกําลังของตนเถิดและเลึกได้ไมลิกได้ก็ดีปัจจุบันนักเกตันใดปัจจุบันนธรรมอันใดที่รู้ตามเป็นจริงปัตถบัติตามเป็นจริง หยุดทนตามเป็นจริงโดยไม่เหลือข้าพเจ้ารู้จงรู้ตามเป็นจริงจงปฏิบัติตามเป็นจริงจงพ้นตามเป็นจริงอยู่ในปิันพระจิตพระธรรมทุกว่าไม่มีประมาณนั้นเถิดทำให้ขั้นสูงอันนี้ทุดแต่ต่ำประหาสูงอันนี้มันก็หมดเรื่องทานั่นถึงพระพุทธรรมพระสงค์ไม่ถึงแต่ทุติตติละ ถึงอยู่ทุกเมื่อแล้เรเลอกได้ไม่เลอกได้กรณีอธิษฐานปาณมีสัมพันโนอธิษฐานไว้อย่างนั้นสัจปาณาโมสัมปันโนตั้งสัจไว้อย่างนั้นพระบรมศาสด า, า, า, ามันเนี่ยสอนให้เราเป็นคนโง่เราเลยลึกถึงชุดติตติเราก็จริงว่าเลยลึกถึงพระพุพะทธธรรมประสงค์ก็ไม่ถูกแล้วลึกได้ไม่เลอ ก, กได้กรณีเราอธิษฐานไว้แล้วนั่ง ก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นนะเลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าศูนย์เานีานจะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายในวัดตาสงสารมากกว่าอสงไขยอาสงไขก็ตามจะไม่หนีจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณลงถึงขนาดนั้นเลยนั่นนันขอเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธธรรมอยทุกพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเมื่อถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อแล้วทีนี้ ก็ต้องมีสินห้าอยู่ทุกเมื่อยิ่งดีมากผู้ใดมีสินห้าบริบูร์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่สงสัยแ ล, และไม่ถือว่าเป็นของหนักถือเป็นของปฏิบัติง่ายไม่เช่ได้อยากจะล่วงละเมิดสินห้าเหมือนนาลายที่พุ่นทิ้งแล้วไม่ใช่ได้อยากเอาคืนมาเท่นั้นก็คือสูปฏิปันโนเราดีๆนี่เองนนะ และพวกนั้นก็ไม่ถือศาสตาอื่นไม่ยินดีในศาสตาอื่นเลยทําไมจึงไม่ยินดีในศาสตาอื่นก็เพราะมีความเห็นว่าคําสอนใดในไตรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาหมดถือว่าคําสอนของพระพุทธศาสนานี้น่ะเหนือโลกทั้งปวงอยู่ทุกยุคทุกการทุกเวลา ไม่นิยมกาไม่นิยเมเวลาพระพุทธเจ้าจะมีกี่ล้านล้านโกดกพระองค์มาทรงตัดสรุ้แต่ละยุคก็ตามก็เป็นธรรมอันเดียวกันไม่ได้คัดข้านกันเลยแม้แต่เล็กน้อยเพราะมันบริบูรณ์แล้วไม่ได้ลบล้างคอรรอบอกันไม่เหมือนชาวโลกเมื่อเป็นดังนี้ทำคำสอนของพระพุทธศาสนาะมันก็ดีอยู่ในโลก ใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ตามมันก็เด่นอยู่อย่างนั้นใครจะไปลบมันก็ไม่ออกใครจะไปเพิ่มเข้าก็ไม่มากขึ้นเพราะเต็มบริบูรณ์แล้วอเนื้อรักที่อื่นๆจะมาเทียบเคียงว่าพุทธศาสนามันก็เท่ากับว่าเอาเม็ดพันพักกาดไปเทียบกับภูเขาหิมาลัยมันก็ไม่ใกล้ละฝ้าเราจะสําคัญว่าสูงหรือไม่สูงก็าตาม เราจะลืมไปก็ตามมันก็สูงกว่าเราอยู่ชั้นใดก็ดีเราจะสําคัญว่าพระพุทธศาสนาประเสริฐหรือไม่ก็ตามพระพุทธศาสนาก็ประเสริฐเต็มภูมิอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเขารบธรรมอันนี้ไม่ประมาเลยกราบเต็มภูมิเพราะธรรมอันนี้มีอยู่ก่อนแล้ว ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาทำทั้งหลายจึงจะมีเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเคารพรมเพราะเป็นธรรมวันเก่าเอสะธรมโมสันนันตนุพระธรรมเป็นของเก่าผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีวาสนาพอสมควรว่าแต่ว่ามีสูงต่ำรุ่มดอนต่างกันตามฐานันดรที่สร้างมาในพบ่อนก่อนไม่เหมือนกันผู้ดใดต้องการมนุษย์สมบัติก็ประพฤติเพื่อมนุษย์สมบัติ ใครต้องการสวรรค์สมบัติก็ประพฤติสวรรค์สมบัติใครต้องการพรหมสมบัติก็ประพฤติตามพรหมสมบัติพระบรมศาสดาบอกไว้หมดแล้วใครต้องการพระเนานสมบัติก็ประพฤติตามพระเนปานสมบัติผู้ต้องการมนุษย์สมบัติต้องเป็นมนุษย์สมบัติเสียก่อนจึงเป็นสวรรค์สมบัติจึงเป็นพรหมสมบัติถ้ามนุษย์วิบัติแล้วมันก็วิบัติไปทั้งสวรรค์ทั้งพรหมทั้งเนพานด้วยมนุษยวิบัติคืออะไร มนุษยได้บัตคืออบายยมุคทุกประเภทต้องทิ้งซะอันนั้นเป็นมนุษย์ไบัตรนั่นอ่ะอ๋ออบายยมุคทุกประเภททิ้งกันเพราะไม่ใช่พมมัญญาื้องต้นของพระพุทธศาสนาพมมัญญาื้องต้นของพุทธศาสนาเวออ ท, ทอบายามุคมีเส้นห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตราอื่นเพราะไม่สงสัยว่าศาสตราอื่น จะมีคําสอนดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนาจึงไม่เสียดายจึงไม่สงสัยถ้ายังสงสัยอยู่ก็ไม่ใช่สุปฏิปั น, นุถ้าสงสัยว่านัดที่อื่นๆจะดีกว่าพระพุทธศาสนาอยู่ก็ไม่ก็ไม่ใช่สุปฏิปนุถ้าไม่สงสัยแล้วก็สุปฏิปนโนนั่นเองอถ้าสงสัยว่าอรมาญมุจะเป็นเครื่อง บ, บําบัดรัพย์สมบัติได้ถ้าสงสัยอย่างนี้ก็ไม่ใช่สุปฏิปั น, นุเพราะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิในตอนนี้อยู่ยังเข้าใจผิดนะ ก็ยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่ในส่วนนี้แต่ก็ยังดีกว่าผู้ไม่ถือพระพุทธศา ส, สนาเฉยเลยอถ้าไม่ผู้ผู้ไม่ถือพระพุทธศา ส, สน า, า, า, าก็ค่าๆกับว่าไม่มีที่พึ่งอยู่ไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์อยู่มีที่พึ่งจึงไม่เป็นทุกข์เอาพระพุทธพระธรรมพมระสงฆ์เป็นที่พึ่งหงัวใจอตัตถิอัตโนานาโถ ตนเว้นในพึ่งของตนเพราะพระพุทธธรรมประสงสอนใจคนบาบ้าไหวเสียเฉลียเปรตมนุษย์พระบรมศาสดาก็าไม่ได้สอนสอนใจทําดีก็ทําให้ใจทํำชั่วพอทำให้ใจก็คือทําให้พระพุทธธรรมประสงนั่นเองทําดีก็พระพุทธธรรมสงอยู่ที่ดวงใจเอาไว้ไหวที่ดวงใจแล้วเพราะท่านสอนใจเอาใจเป็นหิ่งให้พระพุทธธรรมประสงทรงพระกรุณาขี่รถยิบย่ำ ตดน้ำลายครายน้ำโมกใส่ อ, อยู่แล้วนะมันก็หมดปัญหาในตอนนี้จะเก็บจะป่วยลงสักเพียงใดก็ตามเอาว่านเอายามากินมาทามาฉันมาใช้มาใช้าใชหายกาหาย็หายมาหายก็ตายคาภาวนาพุทโธเรียกว่าสุปฏิปันโนฝังลึกลงแล้ว แผนดินหนาสองแสนสี่หมื่นโยธเขาเอาโรกระเบิดปรมาณูทำลายแตกแต่คิดใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใครๆในโลกนี้จะเอาอะไรมาทำให้แตกมันก็ไม่แตกเลย รัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธธรรมประสงค์เป็นไม่มีเลยยังกินจิรัตนังโลเกวิชิติวิธังพุทโธรัตนังพุทธะทธสมานนติตัดสม่าโสตที่ภาวนตุเตทำกมือนกันสงเหมือนกันผู้ใ ด, ไ, ดไม่สงสัยพระพุทธธรรมประสงค์ผู้นั่นก็ภาวนาง่ายแต่ว่าพุทธโธก็เป็นหลักมีแกนสารผู้ใ ด, ดสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ผู้นั่นก็ต้องภาวนายาก <c oughs> ภาวนาอันไหนก็ไม่ชัดไม่แย่ก็ไม่พ้นความสงสัยถ้าไม่สงสัยใน พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลัการทำบุก็ไม่สงสัยเชื่อผลทานผลศีลผลภาวนาเชื่อมรรคผลนิพพานด้วยพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเบื้องต้นคือสุภัพันโนก็เปิดประตูพระนิพพานไปในตัวแล้วเปิดเปิงเลยไม่สงสัยว่าจะถอยหลังไม่สงสัยว่าจะปลีกไปทางใดเลย จะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าไม่ถึงไ ม, ไม่ตายเนยท่อมหาสมุทรร้อยโกรธมหาสมุทรก็าตามจะไม่หนีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้แต่ก้าวเดียวเม็ดเดียวเลยกระเบียดเดียวเลยยอมตายไม่ใช่ได้แต่ชีวะเพื่อรักษัอิสระขณะพระพุทธศาสนาสมานสามัคคีให้ดีอยู่จะสู้ศึกศัตรูคือกิเลสทั้งหลายได้ควรคิดจำนงตรงใจ เป็นไทยจนสิ้นชั่วดินฟ้าเป็นชาวพุทธจงสิ้นชั่วดินฟ้ามีความหมายอันเดียวกันถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพระพุทธศาสนาพินาศลงชาวโลกจะอยู่ได้เลยเราก็เหมือนหมอดม้วยสุด สิ้นสกุลมนุษย์กิเลสมาลุกมาเล่าในกิจในใจพระพุทธศาสนาเราสู้รบกิเลสจนวันตายกิเลสลุกเล่าแดนใจเราก็รบจนสุดใจ ยอมตายต่อพระพุพะทธธรรมประสงค์เลือดทุกหยดโูยชาพระพุพะทธธรรมประสงค์ทุกเมื่อเราได้ของดีแล้วออผู้ที่เขารับพระพุทธศ า, าสนาก็สอสแสดงให้เห็นว่าสร้างบารมีแก่ก้าวมาแล้วผู้ไปยินดีในพุทธศาสนาเราก็รู้จักดีไม่ต้องภาวนาดูก็ได้เพราะเขาบอกอู่แล้วเขาบอกเราแล้ว เราไม่ต้องภาวนาดูคิตใจเขาผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนนปัจจุบันใชาผู้สร้างบารมีแขก่ข้ามาแล้วก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกลมลมหายใจเข้าออกเพื่อจะให้หนายเพื่อจะให้คลายเพื่อจะให้รุดเพื่อจะให้พ้นจากความหลงของตนไปผู้ที่อยู่ในขนาดกลาง หวังอยากจะไปเกิดในพรมโรคพรมพระพุทธศาสาพรมพระโลห่ตามหาพรมาก็พิจารณากรรมฐานให้อยู่ในเจริญปฐมมชานทุติยชาตทุติยชาติทุติยการพวกนี้ก็ต้องไปเกิดในพรมพระพุทธศาาพรมพระโลห่ตามหาพรมาพรนิตตาภาอปมานาภาอาภัตราพนิตาสภาอภมาณาสภาสุภกินทกาอสัญญัตตาเวหาภาลาพวกนี้พวกฌานทั้งหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นไปตามลำดับของแต่ละท่านละท่านนี่ พวกเอาพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารก็ไม่ข้างข้างอยู่ทช่ไหมทำไมถึงไม่ข่าเพราะเห็นแล้วว่าสัพเพตายโรคกัลธ า, าอยู่ใต้อํานาจอันนี้จังทําไมถึงเห็นอย่างนั้นเพราะสร้างบารมีแก่ขก้ามาแล้วเพราะเคยได้พิจารณามาแล้วสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วก็ไม่ต้องการอยู่ใช่ไหมอย่าเข้าสู่พระพานไปซะเมือ่อต้องการเข้าสู่พระ涅槃ก็ต้องพิจารณาของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อจะให้หนายความหลงของตนไม่มาวนเวียนในวัฏฏะสงสารอีก เมืจะชนะความหลงของตนถ้าอย่างนั้นก็ไม่ชระจะชนะอวิชาความโง่เมื่อชนะแล้วก็เป็นวิชาชนะสัมปนูก็เป็นสุขโทก็เป็นโลกเวทูรู้แจ้งโลกเห็นอเนจังคณะคิดหนึ่งก็รู้แจ้งโลกแล้วเพราะโลกจะไม่ด้วยอเิจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จะรู้สักเพียงไหนก็ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธโธโลกเวทูเป็นสาวโกโลกเวทูถ้าเป็นผู้หญิงเป็นสาวิกาโลกเวทู น, นัไม่ใช่พระเจกกโล ก, กบวิถูทีนี้ตาไปทีนี้เ ม, เมื่อเวลาจะกลับบ้านก็พากันภาวนาไปเนอะพอกลับแล้วหรื อ, อยังเอาแล้วหรื อ, อยังขนาดนี้ฮะพอแนวนะฮะพ่อเราบ่าพ่อเราบ่าปา น, นสมควันไป พูดยไ ก, ก่กับมี่ะใจก่นอนย ก, ยยนย ก, ยกนไก่เลยนาะพอยุไก่กับมี่เนาะรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธธรรมประสงค์เป็นไม่มีเลยยังกินจิรัตนังโลกวิชติวิธังพุทโธรัตนังพุทธสว่างนัตติตัดสุมาโสทิภวันตตเต ทำก็เหมือนกันสงฆ์เหมือนกันผู้ใดไม่สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั่นก็ภาวนาง่ายแต่ว่าพุโทโธก็เป็นหลักมีแกนสาลผู้ใดสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั่นก็ต้องภาวนายาก <c oughs> ภาวนาอันไหนก็ไม่ชัดไม่แก้ก็ไม่พ้นความสงสัย ถ้าไม่สงสัยใน พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์หลัการทำบุญก็ไม่สงสัยเชื่อผลทานผลศีลผลภาวนาเชื่อมั่งผลนิพพานด้วยพูดถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ในเบื้องต้นคือสุปัสพันโนก็เปิดประตูพระนิพพานไปในตัวแล้วเปิดเปิงเลยไม่สงสัยว่าจะถอยหลังไม่สงสัยว่าจะปลีกไปทางใดเลยจะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าไม่ถึงไม่าในท้องมหาสมุทรร่ายโกรธมหาสมุทรก็าตามจะไม่หนีจากพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์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 ถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนลงเราก็เหมือนเงินอยู่คงชีพด้วยถ้าพระพุทธศาสนาพินาศลงชาวโลกจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดม้วยสุดสิ้นสกุลมนุษย์กิเลสมาลุกมาเล่าในกิตในกจพระพุทธศาสนาเราสู้รบกิเลสจนวันตาย เกลเลูกเหล้าแดนใจเราก็รบจนสุดใจยอมตายต่อพระพุพะทธธรรมประสงค์เลือดทุกหยดบูชาพระพุพะทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อเราได้ของดีแล้วอผู้ที่เขารับพระพุทธศาสนาก็าสอแสดแงให้เห็นว่าสร้างบารมีแก่ก้าวมาแล้วผู้ไม่ยินดีในพุทธศาสนา เราก็รู้จักดีไม่ต้องภาวนาดูก็ได้เพราะเขาบอกอยู่แล้วเขาบอกเราแล้ ว, ลวเราไม่ต้องภาวนาดูคิตใจเขาผู้หวงังพ้นทุกข์ในวัตฏะสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาติผู้สร้างบารมีแกกล้ามาแล้ว<ๆ>ก็ต้องพิจารณาอันิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกลมลมให้ใจเข้าออกเพื่อจะให้หนายเพื่อจะให้คลายเพื่อจะให้รุดเพื่อจะให้พ้นจากความหลงของตนไป ผู้ที่อยู่ในขนาดกลางหวังอยากจะไปเกิดในพรมโรคพรมปุริสัทธาพรมปุโรหิตามหาพร ม, มาก็พิจารณากรรมฐานให้อยู่ในเจริญปฐมฌานทาาุติยฌานตติยฌานที่สุดฌานพวกนี้ก็ต้องไปเกิดในพรมปุริสัทธาพรมปุโรหิตามห า, มม า, พ, า, พ, าพรม า, าพาุทตาภาอภามานาภาอาภัตราพุิธตาสภาอภามานาสภาสุภกินทกาอสัญญะตาเวหัพพลาพวกนี่พวกฌานทั้งหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นไปตามลำดับของแต่ละท่านละท่าน พวอ๋อพวกทุกข์ในวัฏฏ์ท้องสารก็ไม่ข้างข้างอยู่ใช่ไหมทําไมถึงไม่ข้าเพราะเห็นแล้วว่าสัพพะไตโรคกระท่าอยู่ใต้อํานาจอเนจังทําไมถึงเห็นอย่างนั้นเพราะสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วเพราะเคยได้พิจารณามาแล้วสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วก็ไม่ต้องการอยู่ใช่ไหมอยาเข้าสู่พระ涅槃ไปซะเมื่อต้องการเข้าสู่พระ涅槃ก็ต้องพิจารณาของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อจะให้หนายความหลงของตนไม่มาวนเวียนในวัฏฏ์ท้องสารอีก เ่อจะชนะความหลงของตนถ้าอย่างนั้นก็ไม่ชระจะชนะอวิชาความโง่เมื่อชนะแล้วก็เป็นวิชาจชนะสัมปนูก็เป็นสุขโทก็เป็นโลกะเวทูรู้แจ้งโลกเห็นอเนจังคณะคิดหนึ่งก็รู้แจ้งโลกแล้วเพราะโลกจะไม่ด้วยอเนจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จะรู้สักเพียงไหนก็ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธโธโลกะเวทูเป็นสาวะโกโลกะเวทูถ้าเป็นผู้ยงังเป็นสาวิกาโลกะเวทู ัไม่ใช่ประเจกกโล ก, กับวิถุทีนี้ต่อไปทีนี้เมื่อ เ, อเวลาจะกลับบ้านก็พากันภาวนาไปเนอะพอกลับแล้วหรือยังเอาแล้วหรือยังขนาดนี้ฮะพอแล้วนะฮะพ่อเราบ่พอเราบ่บปา น, นี่สมควรป พ sí ูดยไก่กัม er ีนะใกว่าโยกไก่เนอะข้อยกไก่กัมีเนอะยาทาเอาอะเนอะ ยถาวานิวาาุราภเเรนเะคลังเีวทีนเมตาังอุปคติอิจิตังวิจิังตมหังกิเมวะมิตุเรนังปาจันโนโสยถาวนิโชตินิโสยถาสพิติโยยวะจันตสัมปตุโคโยโรโควินาตเวตนตรายโยตีตีกายโโภิวานสนิสนิจังถาปยาโยจัตตรธมะัยุโนสุขังะัง 2อมื3สามมแห้วมือนี่มัดมืออรอดมือนี่มูอไปก้อนน่ะมูไปก้อนกับซ้ำเดียวกันนี่ละเอาแล้วนอไปนี่นอห้องในีสามคมดีมาน่ะ้องก็บว่าห่อนมาแ้ทั้งห่อนกับไม่บอนแก่มาทังกำนับสีบรุขัดเบิ้งดอนไดก็บมีบอลถเป็นเดเพิ่งเลยมิตรเฮ็ดทัวเบดทังทีเมันก็อ้ห่อนตายที่มูอหอโอ้ยดอนนั้นกูยังทาดียูเนี้ยแต่เบเพิ่งดอนนันแล้วอยู่ว่าไรไง โอจใช่มาไป่กันว่าผ่าคือกัย่องคือกันมันมคือพาหารพารานปนไปแล้วมันมนมันมัม่กินงอนมันเบื่ออันนั้นนจากเว้นจากไผจากทุกทิ้งทุกยางไปแล้วเพื่อมาได้รักษาคือหมูห้าหมูห้าวมารักษาเขาขัดอีกทีออาคือมูโตขับรถไปในเวลาว่างมันกระส้นเขาอีี่ว่าไนสันสันโกมาส้นคือนกันนะ้เดี๋ยวคนเอาไปทำสม จงวันดินดานให้มีความทุกคนจเจริญทุกสันทุกคนโูทุกมาบ่มีประมาณก็ขาดเดินโพธิ์ธโมทโผอผาผู้จะมีโพกรักดิ์ท่างภายในและภายในก็พระศีลเสยานิพุติงยันติตัตสมาสีรังนยโยธาผู้จะไปพระ น, นิพานก็พระศีลผู้จะไปถึงพระนิพานศีรคันโทอนุตโร เปลนของศิล ย, ยอมทวนลมไปโต้ลมไปศิล์เป็นรากแก้วของพรดธศาสนาในฉะนั้นกานทำสังคายนาท่านเจงสังคายนาพระเวินยพรให้พระโอบารีเป็นผู้เทศนาพระเวินย เมืท่านในเรียนมาจากพระบรมศาสดาในพระ อ, อนต์เป็นพู้เทศสนาพระสูตรใสังขายนาขั้งที่หนึ่งศีนเป็นที่พึ่งตราเท่าชลาถ้าขาดศีนอายุก็ไม่ยืนนานถ้าขาดทาน มีชานิไม่พอบอยู่เขาเป็นคนทุกข์เป็นคนจนถ้าขาดภาวานามีชานิไม่พอบอยู่เขาก็โ ก, โ ก, โก้ของพวกลมง่ายเขาชวนให้ไปเขารัอะไรก็ไปเราควรจะเจาะเขามาตัวไปแทกไฟมัดเขาา้าไว้ผ้าไปไว้กองขี้ม้าไปเขาผ้าไปแห็นตรวจแค่นไว้เดยกขี้ออ ก, ก <laughs> เ, าาาเาาาข้าไปขาดภาวนาขาดภาวนาข้างไหนขายเนื้อตัวอะ ต้อาไัวนีจไได้ก็เลยแคอะไรว่าสายอยงเอนสายเสขาดเสีอะอันยุ่สั่อายเสอืมอันุสั่ตายง่ายว้าเ้สียงขอปลาหน้าติบบาทอนยุ่สั่ขอที่หน้าท่านขาดคอแน่นมีอย่งมาเขากลลักลอบกอดหอมัดขาดคอกาเมฆเส้นวชาจาน มไม่รักษาไม่หลุกไม่เต่าไม่ผัวมาเขาขอลวงละเมิดไม่หลุกไม่เต่าเขาขอรวงละเมิดาขาดขอหมอสาเก็มาสานหนาจะพูดเป็นข้อจริงวันไหนเขาขอมาเสือห่เป็นคนปากเหม็นอเอาอยัางมาถูกับา่าเท่าตายไปยงั้นเป็นตอกมอหกอีกรู้ไดขอล้วขอแล้วขอตอกมอหกตอกมัน ซลราที่นี่คาว่ารักษาสุราตัวสันน้าว่าตายผู้กินสลรา้รู้ว่าตายไปแล้วไะตกมลหกษไปตกมลพกแล้ไก็พ้นจากมลหกไปอะไรเป็นเปรตพ้นจากเปดตไปล้วะเกิดเป็นซั์ท่ศฉาญจะเกิดเป็นงวบาดค่อยบาคนบาบึงบามั้ย ก็เป็นคนก็เป็นคนบ้าไปเสียจารีสพิมนุษย์โยนเอาละหาหอยสาบพราะเศษบาปของข อ, red, ข อ, esterol, 對對อันเดืมสุราชขอไร้ขอไร้ก็ม่โทษถือวาการบัดตอนบาตขันทําน่อยก็มีโทษน่อยข้ามากก็ม่โทษมากคือการัดอาิหน้าท่านข่าไม่เมุงสาตตสุราคือกัรฉันร่วงละหมดร้ายกับพิหล้าย เราลมิดหน่อยกับพีดนหน่อยอันอันอันที่ให้บ่าบพีชเดี๋ยวบ๊อบพีชรักเขาอันใช้บ๊อพีชถอดเท่าเป็นผู้เฮดเด้ถอดเท่าเป็นผู้เฮดท่านผลของโทดกับเท่าเนะเป็นผู้ฮับวางตวเาให้ขึนผลของเหมือนเท่าเปผู้ฮับสันตอเข้ามาแล้วเข้าเมืนตาขึ้นห้ตงกับเท่าเป็นผู้จักเขารับก็เมื่อขึนกับเทนา ก็แค่นั่นแหละ